250. ยสนิยสกรรมมะปฏิปสัสสธิกถาว่าด้วยการระงับนิยสกรรม 423. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับนิยสกรรม ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับนิยสกรรมเอาละพวกเราจะระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทมปฏิรูป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 แล้วพร้อมเพียงกันโดยทมปฏิรูประงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น